ทรงประชุมสงฆ์บรญยัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันท h า, ากยบุตรว่าอุปนันท h ทราบว่าเขาไม่ได้ปรนรณาไว้ก่อนแต่เธอเข้าไปหาเครือหัดแล้วกําหนดชนิดจีวรจริงหรือพระอุปนันท h a สากยบุตรทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า อุปนันทะเขาเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติท่านพระอุปนันทะทูลตอบว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงตําหนิว่าโมฆะบุรุษเครหัดผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนผู้ไม่ใช่ญาติโมฆะบุรุษเธอนั้นซึ่งพวกเขาไม่ได้ไปรารณาไว้ก่อนเข้าไปหาครือัดผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกําหนดชนิดจีวรโมฆะบุรุษ